สวัสดีครับกับผมธนแพทย์นัทพง์กนกวิรุณและนี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์เผยแพร่าทาง w w w p e วาวเว็บดอทรรายการจะเป็นการสนทนาธรรมปัญหาทางโลกและทางธรรมโดยอาศัยหลักพุท ธ, ธวจนะซึ่งทางรายการได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไผ่บูรณ์อภิปุณโญแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดปุรธานีมาเป็นผู้ร่วมดาเนินรายกราร กราบนักการพระอาจารย์ไพบุญครับจตุรพอลจะมาพระไพบุญก็เป็นผู้ดําเนินรายการร่วมในรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์นี้แล้วก็รายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์นี้เราก็มีความประสงค์ที่จะนำธรรมะต่างๆมาคุยกันและโดยมีคุณหมอรัตพงศ์เนี่ยมาเป็นผู้ร่วมดําเนินรายการด้วยครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังที่เพิ่งฟังเป็นครั้งแรกก็ตามเนี่ยก็มีข้อ คิดเห็นใดๆก็ส่งมาไว้ได้ที่ในเว็บไซต์ www. p ิโย t a m ม .com a ิโ .com/puredhamma.com ที่มาดาวนโหลดภาคออนไลน์เนี่ยไปนั่นแหละครับพระอาจารย์ครับคือในส่วนของพุทธศาสนาเนี่ยอยากจะเรียนถามว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรครับในประเด็นแรกที่เราจะคุย กันก่อนในรายการาเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ก็คือเรื่องของอแกนแท้ของคําสอนพระพุทธเจ้าถูกไหมซึ่งแก่นแท้ของคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนตอนที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยที่บอกว่าเหตุที่ทําให้มีพระผู้มีพระภาคมาบังเกิดขึ้นในโลกเนี่ยก็แปลว่าเหตุปัจจัย3ามอย่างคือความเกิดความแก่และความตาย มีเกิดแก่ตายจึงมีสัมมาสัมพุทธามาปรากฏขึ้นบนโลกก็เพื่อแก้ปัญหาสามอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนที่พระเจ้าก่อนตรัสรู้เนี่ยก็มาใกล้ครวญคิดอยู่ใต้ต้นไม้โพนะว่าเอ๊ะอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะอะไรจึงมีความแก่จึงมีเพราะอะไรมีความความตายจึงมีต้องการแก้ปัญหานี้ซึ่งเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติที่ดูนะไม่ว่าใครจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเป็นพระเจ้าจากักรพรรด ราชาหมาอมหามีเงินมีตองทุกคนทำไมตายหมดตายหมดครับครับซึ่งความตายก็เป็นสิ่งที่เป็นที่หวั่นกลัวและสะพรึงกลัวของคนทั่วๆไปใช่ไหมครับประเด็นตรงนี้ที่ท่านผู้ฟังในภาคออนไลน์เนี่ยควรจะต้องอสังเกต ร, ระวังให้ดีก็คือว่าในเมื่อเราหนีความตายไม่พ้นเนี่ยแล้วถ้าเมื่อความตายมาถึงเราเนี่ยเราจะทำอย่างไร เพื่อให้ไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความกังวลตายอย่างสบายใจคืออย่างที่หลายท่านพูดกันคือเตรียมตัวก่อนตายใช่ครับต้องเตรียมตัวตอนที่ยังเป็นอยู่นี่แหละเพื่อที่ว่าเวลาตายแล้วจะได้สบายหน่อยอย่างนี้นะครับและตัวผลทางที่จะมุ่งสู่ความาดับความตายเนี่ยไม่ทราบคือหลักธรรมข้อใดอครับคือในมีหลายๆคนในโดยเฉพาะนักวิชาการฝ ร, รั่งที่เป็นทางยุโรปเนี่ย เขามีความเห็นว่าศาสนาคือคําสอนพระเจ้าเนี่ยสอนในเรื่องของอให้พิจารณาความตายอะไรต่างๆซึ่งซึ่งเป็นมองโลกในแง่ไม่ดีนในแง่ร้ายใช่ไหมจริงๆการมองมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยคือคุณพูดแต่ปัญหาอย่างเดียวไม่ไม่มีทางแก้ไขแต่คนที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยเขาเห็นปัญหาแล้วเขาก็จะให้ทางแก้ไขด้วยซึ่งตรงนี้คือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าว่ า, วาเอาปัญหาคืออะไรทุกคนต้องตายาตายแล้วไงทางแก้คืออะไรมี นะพระเจ้าจึงมีบอกว่าผลทางแห่งการดับไม่เหลือของความทุกขก์มีความตายเป็นต้นเนี่ยมีอยู่้นทางดับนี้คืออะไร<ม>ก็คืออริยมรรคมืองแปมรรคแปันประเสริฐคือถ้าพูดในภาพรวมกว้างๆก่อนนะ ซ, ซึ่งในตอนแรกของรายการเปิดทําที่ถูกปิดภาคออนไลน์เราก็นำเสนออะไรที่สบายๆไปก่อนนะถ้าท่านผู้ฟัง มีคำถามเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมว่ามักเกือกอะไรต่างๆเราค่อยคุยกันเพิ่มเติมได้ใช่ครับอย่างนี้ตัวอริยสัจสีก็คือเป็นตัวของหลักธรรมข้อหลักใช่ไหมครับ<ช>ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ครับพ ร, ระพุทธเจา้าตรัสไว้ว่ า, าไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านี้องค์ที่จะมาตรัสรู้ต่อจากนี้หรือองค์นี้ก็ตามนะก็กล่าวแต่เรื่องความดับไม่เหลือของทุก เหตุเกิดทุกข์ผลทางดับผลทางที่เรียกว่านําไปสู่ความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็เหตุเกิดทุกข์ทั้งหมดก็คือระยสั้นนั่นแหละจะพูดแต่เรื่องนี้เท่านั้นเองมีในบทสวดบางคนอาจจะได้เคยสวดมนต์เขาเรียกว่าทวัดเช้าแปลที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแต่เรื่องความดับดับทุกข์และธรรมะที่ส่งเสริมความดับทุกข์ซึ่งพุทธเจ้าสอนอยู่2เรื่องนะถ้าเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องที่เรียกว่าอนุบุปปีกถา คือธรรมะที่จะหนุนทําให้สามารถเห็นอริยสัจสีได้ครับเรื่องที่สอนที่ทรงสอนก็คือเรื่องอริยสัจสี่เท่านับนเองตัวอริยสัจสีเราทบทวนกันนิดนึงตีในครั้งเดมาแล้วพงว่าไปเลยอริยสัจสีมีอะไรบ้างข้อแรของทุกใช่ไหมครับสมุทัยใช่แล้วก็นิโรธมร์นะครับทุกแต่ว่าอะไรครับทุกก็คือ ตามความเข้าใจของผมก็คือทุกสิ่งที่มันแตกดับสลายไปได้ใช่เรียกว่าทุกใช่ไหมครับทีนี้คนทั่วไปบอกว่าอ้าวความทุกข์แล้วความทุกข์ที่เราอาเดือดเนื้อร้อนใจอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของทุกอันนี้ใช่ไหมครับถูกต้องคูกตคือทุกหมดทั้งเล็กทั้งใหญ่เป็นรวมเป็นความทุกหมดครับสมุทัยเป็นภาษาบาลีภาษาไทยแปลว่าอะไรแปลว่าเหตุเกิดถูกต้องเหตุเกิดเพราะนั้นคือพระพุทธเจ้าพูดถึงปัญหาพอมีปัญหาแล้วต้องดูที่เหตุว่าเหตุมันคืออะไร แล้วก็พูดถึงนิโรดนิโรดนี่เป็นภาษาบาลีซึ่งแปลเป็นไทยไปลว่าความดับดับไม่เหลือของความทุกข์มีอยู่คือคือจุดที่ปัญหามันไม่มีเนี่ยมันมีแล้วก็พูดถึงมัคคืออันสุดท้ายมัคเนี่ยแปลว่าทางในเรื่องนี้ตต่อนที่บันทึกรายการวิทยุเนี่ยมีผู้ฟังทางรายการออนไลน์ในบางท่านนี่แหละส่งจดหมายมาหาที่พีโอธรรมะ com แล้วเขาบอกว่าถ้าเราจะใช้คําว่ามัค8เนี่ย ไม่ถูกอ๋อต้องใช้มักแปดเนี่ยแปลว่าทางแปดทางแปดทางแสายแต่ไม่ใช่มักนี่แปลว่าทางมีสายเดียวเป็นสายเอกไปสู่นิพพานใช่ครับแต่ว่ามีองค์ประกอบแปดอย่างอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดบทเพียรชนะให้ถูกเนี่ยต้องพูดว่ามักมีองค์แปดครับซึ่งพระพุทธเจ้าก็เนี๊บมากบทเพียรชนะของพระองค์เนี่ยก็พูดมักมีองค์แปดพระองค์ไม่เคยพูดมักแปดเฉยๆถ้าจะพูดมักก็คือมักเฉยๆถ้าจะพูด มีเลขแปดด้วยก็จะมีมัคมีองแปดหรือที่ท เ, เราได้ยินกันบ่อยๆว่าอะริยมัคคือองแปดใช่ภาษาบาลีเต็มๆเรียกว่าอาริยะอัตถังคิกามัค อ, อริยะปลว่าประเสริฐคกามัคอัตถงอัฏฐะนี่ก็คือแปดครับแล้วก็มัค ก, ก็คือทางก็คือทางอันประเสริฐที่นําไปสู่ความดับไม่เหลือของทุกมีองค์ประกอบ8ดอย่างครับแปลกันตรงตัวครับ มีมีคนช่างสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรียงว่าทุกสมุทรไทยนิโรธมักไม่เรียงว่าทุกสมุทรไทยมักนิครธอ่านี่ทำไมครับทีนี้ในเมื่อท่านผู้ฟังด้วยก็ตามนี่นะที่ที่ฟังภาพออนไลน์อยู่ถ้ามีความเห็นยังไงก็ส่งเข้ามาได้ครับไอ้ข้อสังเกตแบบนี้เราจะนำมาพูดคุยเพื่อเป็นเรียกว่าเป็นการคุยเป็นการถามตอบกันใช่เพราะตรงเนี้ยเป็น กิจกรรมที่เรียกว่าสากระฉาคือกา ร, รสนทนาธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าในหมู่บริษัทใดที่มีการสากะานะัะฉาจะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดสมาธิิได้จะสามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดได้ธรรมต่างๆที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถทําให้กระแจ้งกระฉาได้อะเอาความเห็นอาตมาครับอะความเห็นอาตมาว่าทําไมถึงเป็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมคือพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ฉลาด แล้วก็เวลาจะเริ่มอะไรก็แล้วแต่จะเริ่มที่จุดที่เราอยู่ก่อนปัญหาที่เราเจอเฉพาะหน้าก่อนแล้วก็ถึงจะไปจบด้วยวิธีแก้ไขเพราะฉะนั้นจะไปจบที่มักรเริ่มที่ปัญหาจบที่ ท, ทางแก้ได้แล้วก็ตรงระหว่างนั้นจะเป็นอะไรก็ใส่เข้าไปได้นี่คุณหมอรัตพงศ์มีความเห็นว่ายัางไงในเรื่องนี้ผมก็คิดว่าเหมือน ท่านเน้นว่าตัวมรรคก็คือหนทางสู่ความดับทุกข์เนี่ยก็ อ, อาจจะไว้ที่หลังสุดเพราะว่าเป็นตัวที่นนเน้นเน้นเน้นไว้ที่ลังเน้นไว้ที่หลัง น, นั่น ก, <ๆ>ก็ถูกต้องอยู่ครับในทำสี่อย่างตรงนี้เนี่ยนะทุกเหตุเกิดทุกความดับไม่เหลือของทุกแล้วก็ทางดาเนินเนี่ยทำสี่อย่างเนี่ยมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันตรงนี้ว่าทุกเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรรอบรู้ ค, รควรรอบรู้นะสมุทยัย เหตุเกิดทุกน เ, ين, เนรรี่ยเป็นธรรมะที่ควรละครับทุกที่พุกพี่ที่พระบอกสมุทัยเป็นธรรมะที่ควรละเหมือนกันหมดนิโรธนะคือความดับไม่เหลือของทุกนเนี่ยเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งอใช่ครับมรคเนี่ยคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกนเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรทําให้เจริญก็คือควรรอบรู้ ค, รควรละควรทําให้แจ้งควรทําให้เจริญเพราะฉะนั้นถามว่าในสี่อันเนี้ย จะรู้อันไรนก่อนถึงจะดีครับเออรู้อันไหนก่อนผมว่าในในชีวิตเราถ้าเรายังไม่เห็นทุกเนี่ยอืเราจะไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องมาศึกษาธรรมไม่ครับท่านใช่เรียนดี้หมครับก็คือคนไม่เห็นปัญหาเขาก็จะไม่ทราบว่าอะไรคือปัญหาเพราะฉะนั้นต้องเห็นก่อนว่าอันนี้มันคือปัญหาครับเเช้ามากินข้าวเสร็จแล้วต้องไปเข้าห้องน้ำเนี่ยคือปัญหาใช่ครับต้องขับถ่ายต้องทุกทำอะไรต่างๆครับ หมายถึงว่าในกิจกรรมของของผู้คนเนี่ยถ้ามองเล็กๆเนี่ยมันเหมือนเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับการจะกินโกนนน้กินนู่นกินนี่อันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอใช่ไหมครับเป็นไปตามอำนาจของปากครับครับก็เลยในประเด็นของอริยาสัจสีเนี่ยจริงๆส่วนที่เราจะต้องเห็นก่อนก็คือทุกข์ใช่ไหมครับใช่ใแล้วก็พิจารณานะถึงเหตุแห่งทุกข์คือสมุทยัยทุกข์เนี่ยเห็นได้ง่ายที่สุดเลยครับ เห็นได้ง่ายที่สุดเลยเพราะมันอยู่กับเราตลาดเวลาครับครับทีนี้ทุกมันจะมีทุกทางกายทุกทางใจด้วยใช่ไหมครับโอ้ความทุกข์มีหลายอย่างมากครับแล้วผมความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นก็เป็นทุกข์ทุกอย่างเป็นกล่าวโดยย่อขันตั้ง5้าเป็นทุกข์ นี่คือปุิธวัจนะที่พูดถึงเรื่องความทุกข์นะครับทีนี้ในเรื่องของขันท่าห้าเดี๋ยวเราจะยกไว้ก่อนจะกล่ในโอกาสถัดไปนะครับเพราะว่าคนที่ฟังใหม่อาจจะงงเอ๊ะขันห้าคืออะไรนะครับเอาเรื่องง่ายๆก่อนวันนี้ครับทีนี้ในในส่วนของทุกเนี่ยผมเคยได้ยินว่าทุกกับกับส่วนคําว่าทุกขังที่มีทุกขังนิจางอนาตตาไม่ทราบทุกข์ในอริยสัจสี่กับทุกขังใน รละที่เขาว่ากันเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันประการใดครับเออเหมือนกันหรือกันต่างกันยังไงครับทุกในอนิสสัตว์สีพผู้รู้เจ้าพูดไว้โดยชัดเจนว่าความเกิดนะความแก่ความตายความโศกความร่ำรวยรำพันความทุกข์กาความทุกข์ใจความขับแค้นใจนะความปรตนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นเป็นความทุกข์แล้วก็ลดเอาโดยย่อขันทั้งๆเป็นตัวทุกข์ก็ถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คือความที่แยกโดยพิสดาร คือคำว่าพิสดารเนี่ยท่านผู้ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าพิสดารเนี่ยแปลว่าละเอียดโดยละเอียดรอบเขาเรียกว่าละเอียดละอเลยหล่กแล้วพราะนเทพพุทธเจ้าเวลาพูดถึงความทุกข์เนี่ยละเอียดเลยมีทุกอย่างทุกประเด็นความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกพวกนี้เป็นทุกหมดเพราะฉะนั้นถามว่าทุกในอริยสัจสีตรงนี้กับคําว่าทุกในอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมครับในในความเห็นของอาตมาเนี่ย มันมีส่วนที่เหมือนกันอยู่ครับนะก็คือว่าความเกิดเที่ยงไหมไม่เทียงไม่เทียงครับก็เป็นความเกิดเป็นทุกข์ใช่ครับความแก่เที่ยงไหมไม่เทียงครับไม่เทียงความแก่ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ครั บ, รบแล้วความตายเที่ยงไหมความตายเนี่ยจริงๆใ น, ใ น, ใ, นในทางพวกเราเ<อ>ในทางครวาสเราบอกว่าทุกคนเนี่ยหลีกความตายไม่พ้นเหมือนกับความตายเนี่ยเทียงใช่แล้วอันนี้ในทางในทางธรรมชั้นลึกพระพุทธเจ้าบอกว่าความตายก็ไม่เทียง อ๋อครัความตายก็ไม่เที่ยงหมายความว่าความตายเนี่ยสามารถดับไปได้ใช่ไหมครับใช่ครับดับไปได้เพราะว่าอยู่ที่เหตุของการตายเนี่ยมันดับไปหรือเปล่าอ๋อครับเพราะว่าความตายก็เป็นธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นครับซึ่งซึ่งตรงนี้เราจะเจาะในรายละเอียดได้แล้วนะครับทีนี้ว่ากลับมาประเด็นที่ว่าไอ้มันเหมือนกันไหมอันนี้จังทุกขังตรงทุกขังเนี่ยกับตรงส่วนที่เป็นทุกเนี่ยเหมือนกันโดยคุณสมบัติค่ะคุณสมบัติของของสิ่งต่างๆ ถ้าเราพูดถึงอนนี้จังทุกข์ของอนุตาเนี่ยเป็นคุณสมบัติครับนะเป็นท่าภาษาอังกฤษก็คือ adjective ครับเป็นคุณสมบัติที่อธิบายสรรพสิ่งโต๊ะไมโครโฟนเป็นทุกข์ทำไมเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้แต่สลายได้มีคุณสมบัติของความทุกข์อยู่ในไมโครโฟนมีคุณสมบัติของความทุกข์อยู่ในโต๊ะมีคุณสมบัติความทุกข์อยู่ในแขนอัตมานะแล้วส่วนที่ทุกข์ในอริยสัจสีเนี่ยเป็นคํานามเป็นคํานามที่ อธิบายถึงสิ่งต่างๆเป็นคํานามเพราะฉะนั้นนามเคืออะไรเกิดการเกิดความตายเป็นคํานามนะการแก่เป็นาเป็นคํานามเพราะฉะนั้นโดยคุณสมบัติของมันเหมือนกันนะแต่โดยใช้คําว่าเป็นคํานามเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆนี่คือในในคติของอริยสัจสี่โดยเป็นคําคุณศัพท์ไป <คำ S 1> ข, ขยายเพื่อขยายคุณสมบัติของคํานามเหล่านั้นนั่นคือในเรื่องของไอจางทุกอย่างนั่นต่างครับ แล้วอย่างนี้ในในเชิงของอริยมรรคตอนนี้เราพูดถึงทุกแล้วนะครับแล้วก็สมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกเหตุเกิดแห่งทุกก็คือพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าอย่างไรครับเหตุเกิดของทุกเหตุเกิดของความทุกขก็คือตัณหานี้ใดนะเป็นเหตุที่ทําให้มีการเกิดใหม่เป็นปกติครับนั่นคือความทุกครับตัณหาที่ทําให้มีการเกิดใหม่เป็นปกตินั่นคือความทุกครับตัณหานี้เมื่อจะเกิดก็เกิด ในสิ่งใดที่มีความาน่ารักเป็นที่มายินดีมีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจะมีตัณหาได้ก็ ค, คือตัณหานั่นแหละเป็นเหตุของความทุกข์ตัณหาก็คือความอยากใช่ไหมครับใช่ความอยากตัณหาแปลเป็นไทยว่าความอยากนะมีสามประเภทคือความอยากในกามความแยบในความมีในความอยากในความไม่มีครับคือเราไม่อยากเป็นเนี่ยก็อยากนะ เราอยากเป็นนี่มันอยากแน่นอนอยากมีอยากเป็นนี่คืออยากแน่อยากไม่มีอยากไม่เป็นก็อยากเหมือนกันอยากในความไม่มีไม่เป็นภาษาบาลีเ็าเรียกว่าวิภาวะตันหาวิภวะตันหาความอยากก็คือกามตันหาความอยากในกามเป็นกามตันหาความอยากในความมีอยากเป็นเป็นภาวะตัหาความอยากในความไม่มีไม่เป็นเป็นวิภาวะตัหาทั้งหมดรวมเรียกว่าความอยาก มีสามประการมี3าประเภทใช่ครับทีนี้เราเราก็เห็นแล้วว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์เนี่ยก็เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับทีนี้ในตัวของไล่ตามก็เป็นต่อไปคือนิโรธใช่นิโรธคือแปลว่าความดับความดับไม่เหลือครับอะไรดับครับท่านก็ความทุกข์ไงความทุกข์ดับความทุกข์รับอ้าออะไรดับาดับถ้าอาตมาบอกว่าความทุกข์ดับเนี่ยบทเพลงชนะของอาตมาไม่มีครับ บทพียญชนะของอาตมาไม่เนีย๊ยบแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยบทเพียญชนะของพุทธเจ้าบอกว่าที่ดับเนี่ยคือตัณหาดับครับความดับไปไม่เหลือของตัณหานั่นแหละคือ น, นิโรธเพราะฉะนั้นถ้าตัณหาดับความทุกข์ดับแน่นอนเพราะเหตุของความทุกข์ดับพระพุทธเจ้าเลยไปแก้ที่เหตุเวลาแก้ปัญหาเนี่ย โดยหลักการของความเป็นเหตุเป็นผลคุณต้องแก้ที่เหตุครับในพระเจ้าจึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องมากๆครับแก <c ups> ้ไปแก้ที่เหตุเพราะฉะนั้นจะดับปัญหาใช่ไหมคุณจะแก้ไขทุกเนี่ยคุณไปดับที่ตันหาเพราะฉะนั้นนิโรดนี่คือความดับไม่เหลือของตันหาครับความดับไม่ใช่ความดับไม่เหลืองทุกนะครับครับความดับไม่เหลือของตันหาคือความยากในะครับว่าประเด็นนี้ดีมากเราก็เพิ่งมาเคยสังเกตกันครับคือคืออันนี้ก็คือเราเนตัวผมเองเป็น เป็นแพทย์นะครับ<ช>ทีนี้เราจะมองว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องห า, าการทดลองเนี่ยจะต้องหาเหตุนะครับหาเหตุมีการสมมุติฐานนะครับแล้วก็มีการาค้นหาผลการทดลองนะครับซึ่งมันก็ตรงกับในทางพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งจะเป็นการหาเหตุนะครับมีสมมุติฐานเช่นกันนะครับก็เลยมองว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็น อะไรที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของทางทางโลกและทางธรรมคือเรื่องของนำมรรมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้เรื่องคําว่าโลกกับธรรมเนี่ยอรมามีความเห็นมากอย่างนี้คือก่อนที่เราจะลุยไปถึงเรื่องของมรรคนี่นะเรจะเสริมตรงนี้มีความต้องการที่จะเสริมตรงนี้ที่หนึ่งว่าคําว่าโลกกับคำว่าธรรมเนี่ยจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็คือพูดว่าโลกกับธรรมครับถ้าเราอาศัยพุทธวัชนะเนี่ยคือคําว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงสองส่วนคือโลกุตละ ครับกับโลกียะครับโลกียะเนี่ยคือส่วนที่อยู่กับโลกอยู่โลกโลกโลกุตละเนี่ยคือเหนือโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เหนือโลกไปเราควรจะใช้คําว่าโลกุตละที่เกี่ยวข้องกับโลกโลกอยู่ก็คือโลกียะครับนะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโลกมีอะไรบ้างก็โลกธรรมเป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่างกิเลสก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะที่กนละมารเป็นธรรมะ เป็นธรรมะที่ควรทําให้เจริญอย่างนี้ครับและในประเด็นของมัคนะครับซึ่งเป็นองค์ธรรมที่สี่ในอริยสัจสี่นะครับท่านมีรายละเอียดอะไรบ้างครับมัคก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อตอนต้นคือหนทางแห่งการดับไม่เหลือของทุกนะเป็นทางอันเดียวเส้นเดียวไปสู่จุดหมายเดียวนะแต่มีองค์ประกอบ8อย่างนะอย่างแรกก็คือสมารถติและอย่างที่สองก็คือสัมมาสังกัปปะอ่าแล้วก็มีสัมมาวาจา สัมมารกรรมตัปแล้วก็สัมมาอาชีวะนี่คื อ, อเรื่องเกี่ยวกับปัญญาแล้วก็กายวาายันสีส่วนเรื่องของจิตก็สมาธิก็จะมีสัมมาวายามะสัมมาสติสตแล้วก็สมาสมาธิั บ, อบ8อย่างแปดข้อดูเหมือนจะถ้าเป็นผู้ใหม่นี่จะยากนิดยากไหมครับคระอาจารย์ ก็ต้องค่อยๆศึกษาไปทีนี้จุดประสงค์ของรายการเราก็คือจะค่อยๆขยายความในเรื่องนี้ในตอนต่อๆไปทีละครับท่านใดที่มีคําถามก็อาจจะส่งคําถามมาได้นะครับหรือเพราะว่ารายการเราจะค่อยๆค่อยๆขยายความไปนะครับทีละเล็กแต่น้อยทีนี้ในในการดําเนินรายการเนี่ยในช่วงประมาณสองในสาส่วนของรายการแรกเนี่ยเราก็จะอธิบายเนื้อหาธรรมะที่เราคิดว่าเป็นประเด็นในที่สําคัญนะแล้วใน ตอนท้ายของรายการเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามอะไรก็จะเอาคําถามนั่นแหละมาตอบในช่วงประมาณ1 0บถึงสินาทีสุดท้ายตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วมาดูซิว่ามีคําถามอะไรต่างๆที่ส่งมาจากทางผู้ฟังบ้างครับตัวคําถามเนี่ยคือในช่วงแรกเนี่ยรายการเราเพิ่งเริ่มนะครับก็ยังไม่มีก็จะมีคําถามของผู้ดําเนินรายการนะครับคือ ในช่วงนี้ผมสังเกตว่ามาีข้อความคำหนึ่งซึ่งจะพูดกันบ่อยคือพุทธวจนะมไม่ทราบคืออะไรครับท่านพุทธวจนะคือพุทธบระวารพุทธเจ้าเกี่ยวกั บ, บพุทธเจ้าใช่ไหมวจนะนี่ก็คื อ, อคำคำพูดวจนะคือคำพูดเพราะฉะนั้นพุทธวจนะก็คือคําพูดของพุทธเจนะ้าพุทธวจนะคือคําพูดของพระพุทธเจ้าซึ่งแตกต่างกับคําพูดของสาวกอยู่ คือคำพูดของสาวกก็คือคำพูดของคนที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าพูดเอาไว้ครับแล้วก็เช่นพระรุ่นหลังทั้งหมดที่บวชหลังจากพระ พ, พุทธเจ้าก็ไม่ว่าจะเป็นอัญญาโกธัญญะภาษารีบุตรพระโมคคาณนาะอะไรต่างๆก็เป็นคำพูดของสาวกนก็จะแตกต่างกับพุทธวจนะอยู่แล้วมีความสำคัญอย่างไรครับตัวพุทธวจนะเนี่ยความสาคัญของพุทธวจนะก็คือว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่พูดพูดอะไรแล้วเนี่ยคำพูดของพระองค์เนี่ยสอดรับกันไม่ไม่มีผิดเลยเพราะฉะนั้นคำพูดของพระองค์เนี่ยถูกต้องตรงจริงตลอดกาลเป็นอาการลิโกแล้วก็พระองค์เนี่ยกำหนดสมาธินิมิตทุกครั้งในการพูดแล้วถ้าเราบอกว่าออันนี้เป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนาใช่ก็ควรจะต้องทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นะซึ่งความคำว่าพระพุทธเจ้าพุทธวจนะเนี่ยมีความแตกต่างกันกันกบาสาวกคําพูดของสาวกอยู่ตรงที่ว่าสาวกก็ยังมีพูดไม่ถูกบ้างมีความคลาดเคลื่อนในบทพยัญชนะอยู่หลายประการซึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยเนียบมากไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาศึกษาพุทธวจนะให้มากเข้าให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นเนี่ยแม่ธรรมะหลายอย่างมันจะแตกไหลแตกลูกออกมาได้ แต่พันนี้ก็คือเป็นจุดประสงค์อย่างหนึ่งของรายการเปิดทําที่ถูกปิดภาพออนไลน์นี่แหละแล้วก็มียตมาพระไพ่บูรณ์แล้วก็คุณหมอรัตะพงษ์เนี่ยมาเป็นผู้ดําเนินรายการเพื่อที่จะขุดคุยประเด็นอะไรต่างๆนะที่มีที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ท้าท่านผู้ฟังเนี่ยคิดว่าประเด็นอะไรเนี่ยน่าขุดคุยเอามาถามเอามาถ้าชี้แจงแล้วจะทําให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้นส่งมาเลย ครับส่งมาได้ที่ไหนบ้างเอ่ยทางรัสปงร์ w w วด e w ว็บเ m นะครับสกด P.U.R.E.D.H.A.M.N.A. c o m ออันนี้ก็เป็นรายการภาคออนไลน์ที่เราได้ทำเอาไว้แล้วก็ในตอนต่ อ, ตอไปเราก็คิดว่าจะเอาเนื้อหาต่างๆเนี่ยมาเสริมเติมขึ้นไปให้ให้ครบถ้วนกระบวนความ รายการของเรานี่จะมีจะมีการอัปเดตอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับก็ที่วางแผนกันไว้ก็จะเป็นทุกวันพฤหัสนะตอน7โมงเช้าตอนใหม่ของสัปดาห์จะขึ้นนะให้ท่านผู้ฟังมาดาวน์โหลดกันไปรับฟังได้นี่ก็เป็นลักษณะของพอด c a สต์พอด a s สต์คือพอด c a สต์รายการเปิดทำที่ถูกปิดภาคออนไลน์แล้วจะกินเวลาช่วงเวลานานเท่าไหร่ครับในแต่ละตอนแต่ละตอนเนี่ย เราก็คิดว่าจะไว้ประมาณ30นาทีาทไม่ให้เกินเพื่อที่จะให้ท่านฟังเนี่ยได้จับชวยได้แล้วก็เนื้อหาครบถ้วนพอสมควรเวลาไม่น้อยไม่มากเกินไปครับครับ ทีนี้กลับมาพูดถึงคําว่าพุทธวจะนะเนี่ยผมเคยศึกษาว่าจะมีคุณสมบัติที่สําคัญคือคําว่าปัจจตังอันนี้ท่านช่วยขยายความได้ไหมครับ อ, อันนี้เป็นคุณสมบัติของธรรมะครับคุณสมบัติของธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนครับสมมติอาตมาบอกว่าโอ้ยนี่นั่งสมาธินะมีความสุขมากเลยเอ๊ะทำไมเราไม่เป็นก็เพรานะมันรู้ได้เฉพาะตนอาตมานั่งแล้วอาตมามีความสุขอ่ะขอแหก อ, อกเอาไปคนละสองกอน ไม่ไ ด, ด้ไม่ได้ครับมันรู้ได้เฉพาะตนไปแล้วถ้าใครบอกว่าเออเอาไปก้อนนี้นะเอาไปเสร็จแล้วจะข า, ขายดีมันไม่ใช่ธรรมะหรอกไม่ได้เพราะว่ามันรู้ได้เฉพาะตนมันให้กันไม่ได้ให้กันได้นะถ้าบอกว่าเออคุณขยันคุณประหยัดมัธยัสถ์คุณมีเพื่อนดีแล้วคุณก็รู้จักเก็บหอมรอมริบ4อย่างนี้นะเป็นคุณธรรมที่จะทําให้คุณรวยได้โอ้อันนี้ฟังแล้วขึ้นเพราะว่าฉันต้องทาเองใช่ครับนะฉันจึงจะได้ผลนั่นเองนี่แหละคือคุณสมบัติของธรรมะเป็นพุทธวจนะ รธรรมะเนี่ยเป็นพุทธวจนะคือคือพระพุทธเจ้ากล่าวอะไรออกมาจากปากเนี่ยนะเป็นธรรมะหมดครับควคุณสมบัติของธรรมะก็คือเป็นอาการรโกเป็นปัจจตังเป็นสิก<ร>ิภ<ส>ูโต อ, อีกคำหนึ่งนี่ยสิกิภูโตก็คือรูร้ได้เฉพาะตน เป็นพยานในตนครับเป็นพยานในตนหมายความว่าเราได้สัมผัสกับความสุขความเยอกเย็นอันนี้เราก็เป็นพยานในตัวเองได้ใช่ไหมครับใช่ไม่ต้องรอให้เพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวมาทักว่าเออนี่ตัวเองมีความสุขนะอย่างนี้ใช่ไหมครับครับเราเรารู้ได้เลยแล้วก็ตัวเองตอบตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครมาพยานก่อนครับซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญคือมีจะจะพูดเร็วตรงนี้ก็คือว่ามีครั้งหนึ่งมี บุคคลมีพรามองหนึ่งไปกลุ่บพระเจาบอกว่าในชาติที่แล้วฉันเกิดเป็นอะไรครับเจ้าเขาบอกว่าถ้าเราบอกว่าเธอเกิดเป็นช้างเธอตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีไม่มียางยันรู้รรแต่ถ้าเธอตรวจสอบไม่ได้ว่าคำพูดของเราจริ ง, งหรือเปล่าเนี่ยการสนทนาของเราครั้งนี้ไม่เกิดประโยชน์<ม>เพราะว่าเราพูดไปเธอก็ตรวจสอบไม่ได้ไม่รู้ว่าเราพูดจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเรากล่าวธรรมะอะไรไปสิบอกว่าคุณผิดศีลคุณจะมีความรั้นใจ อันนี้คุณตรวจสอบได้ทันทีตรวจอรสอบได้เองปฏิบัติตามศีลคุณจะไม่มีความร้อนใจตรวจสอบได้ทันทีอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นธรรมะตรวจสอบได้เป็นพยานได้ในต้นครับเหมือนครับนในวันนี้เนี่ยเราก็จะสรุปได้ว่าข้อธรรมนะครับที่เป็นหลักของพุทธศาสนาก็คืออริยสัจสีเนี่ยประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนะครับทุกข์ คือสิ่งที่ควรรู้หรือควรกำหนดรู้นะครับสมุทัยคือส่วนที่เป็นเหตุนะครับซึ่งเราจะต้องละก็คือเหตุแห่งทุกข์จะต้องละนะครับแล้วก็นิโรดนิโรดคื อ, อความดับทุกข์นะครับคือความดับของปัญหาครับอันนี้ก็คือจะต้องทำให้แจ้งใช่ไหครับทำให้แจ้ ง, จ ง, งส่วนสุดท้ายก็คือมรรคมรรคก็คือหนทางแห่งการดับทุกข์นะครับ อันนี้ก็คือส่วนที่ต้องทําให้เจริญ<ช>นะครับ<ช>ข้อทําทั้นสี่ถือว่าเป็นหลักแกนหลักแกนหลักของพุทธศาสนาเลยนะครับครับไม่ทราบพระอาจารย์มีอะไรจะเสริมสรุปในช่วงท้ายไหมครับก็คื อ, อในเรื่องของเรียสสี่ตรงนี้เป็นกว้างๆเท่านั้นเองที่เราเอามาให้ดูเป็นภาพรวมก่อนซึ่งในตอน ต, อต่อไปเราก็จะเอา เรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไปอาจจะเจาะเฉพาะเรื่องมรคบ้างเจาะเฉพาะเรื่องทุกบ้างนะเอามาขยายความให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตอนต่อไปในตอนต่อไปเราจะพูดเรื่องอะไรกันเลยหรวอเล็บอกอยากจะทราบคือพุทธวจนะเนี่ยเป็นในความคิดเห็นของคนทั่วไปเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องใหม่อมแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะครับ คราวหน้าอยากจะว่าออวิธีการตรวจสอบพุทธวจนะเป็นอย่างไรนะครับจะแล้วจะสามารถค้นคว้าตัวเองได้โดยตัวเองได้อย่างไรนะครับอันนี้จะขอความกรุณาในข่าวต่อไปเพราะฉะนั้นคราวหน้าเราจะมาคุยคุยกันถึงเรื่องวิธีตรวจสอบแล้วก็วิธีการยืนยันว่าความถูกต้องของคําพูดว่าอันนี้เป็นคําพูดพุทธเจ้าหรือเปล่าในรายละเอียดครั้งต่อไปเาในวันนี้ก็คิดว่าเห็นสมควรแก่เวลาก็ข อ, อลาท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการธรรมะเปิดธรรมที่ถูกปิด ภาคออนไลน์นาไว้เท่านี้ก่อนจเจริญพร้อครับก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังท่าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ